พระบัญญัติแปดรอยก็ภิกษุณีใดให้วาระผัดเปลี่ยนสังฆาติที่มีกําหนดระยะเวลาห้าวันล่วงเลยไปต้องอบัติปาจิตติเรื่องภิกษณีหลายรูป